เอาตาแบบตาจอร์คีก็ได้ตาแบบเอาบยาสัตว์ก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือกรรมเนี่ยเป็นตัวจัดสรรทาให้เปิดเสร็จเข้าใจไหมเนี่ยกรรมเ ป, เป็นไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตัณหาเนี่ยแหละเป็นสมุทยัยเป็นเหตุเกิดนี่เป็นนื้อแทตัวเวทนาครับเพื่อนพี่นองพอผลิตรูปแล้วในส่วนของเวทนาขันใช่ไหมในส่วนของเวทนาขันเนี่ยถ้าหากดูปัจจัยในอดีตเอาวิชาตัณหากรรมไหม ใช่พี่ชายเอาวิชาตัญหากรรมนั้นเป็นปัจจัยในอดีตแล้วก็มีอะไรผัสสะปัจจัยในปัจจุบันพบแล้วก็คือการเกิดขึ้นของเวทนาทุกๆเวทนาที่กําลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ชั้นเวทนานี่นมีอะไรเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็มีวิชาตัญหากรรมในอดีตใช่ไหมอันนี้คือเป็นปัจจัยในด้านของอุปนิสยาเป็นต้นหรือในด้านของศาสตร์ช า, า, าติกรรมะเอือมค่อยนานคณิกากรรมะอออปัจจัย เป็นปัจจัยที่ให้ผลต่างขนาดอย่าลืมถามว่าเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ไหนตั้งแต่ปฏิสนธิการนี้วฉะนั้นในขณะที่เราเกิดขึ้นมาครั้งแรกกาละละนี่เลยตอนนั้นเ่ะเวทนาเกิดแล้วมันเกิดพร้อมกับรูปธรรมใช่ไหมแล้วมันก็แตกดับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอเวทขาสลับซับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลา แลในปัจจุบันเนี้เพราะเราไม่รอบรู้เวทนาด้วยความเป็นทุกข์คาว่าสัมมาสัมพุทธะในพระเจ้าตรัสรู้เลยเวทนาด้วยความเป็นทุกข์กษัตริย์เวทนาสมุทยะก็คือตัณหาคือสมุทัยเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดของเวทนาเวทนาที่โรธ ถ, ถ้าดับได้ถาวรเมื่อไหร่ด้วยอาราธมักเวทนาจะไม่มีต่อไปในอนาคตเวทนาจะไม่มีต่อไปถ้าตราบใดเรายังเกี่ยวข้องกับเวทนาละ หรือเรายังออกจากเวทนาไม่ได้เนะเจ็บปวดแน่นอนและในปัจจุบันนี่เราออกไม่ได้ด้วยเพราะเหตุปัจจัยยังไม่พอต่อการราอบรู้เวทนะยังไงวิ่งไปเถอะสํานวนก็จะมาจะมาใช้คําว่าคุณวิ่งออกจากตาหูจะบูกลิ้นกายใจไม่ได้ตาหูจะมูกลิ้นกายใจเ น, นี่นยในโยมปัจจุบันนหลวงปู่คุคกดียดีอาที่ไปที่มันไปด้วย พอมันดับพบนี้ปุ๊บมันก็ไปปฏิสนธิใหม่ก็ไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกและเหลืออีกมากที่เราสร้างกรรมที่จะต้องแบกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือคุกในสังสารวัตนี่แหะคือคุกในสังสารวัตที่สัตว์โลกเจ็บปวดกันมากแล้วออกจากคุกในสังสารวัตรนี้ไม่ได้เลยเหตุที่ออกจากคุกในสังสารวัตรนี้ไม่ได้ออกจากสังสาระนี้ไม่ได้เขาเพราะอะไรรู้ไหมสัตว์นั้นไม่ได้ตัดสู้ สัตนั้นไม่ได้ตัดสรู้ไม่ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าในะท่านอนุปาท า, ปานปฏิพันธ์แปลว่าท่านออกได้นะใช่ไหมแต่เราออกไม่ได้นะ่ะเอาสิไปไหนมันไปด้วยแล้วก็เดินออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ศึกษาคําสอนต้องคนรีบเร่งใช่ไหมเรียนรู้ไม่ละเอียดก็รีบไปไปไ ป, ปฏิบัติไปไข่ ค, ควรไปไม่รอดอีกและ ออกไม่ได้ดูเหมือนจะได้ไม่ได้เหมือนจะได้ไม่ได้เพราะไม่พอข้อมูลไม่พอส่วนพวกที่กาลังไขควณอยู่กาลังฟังพระทรอยู่เอาไปไม่ได้อีกกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยได้อีกเพราะอะไรรู้ไหมเดินไม่เป็นเดินไม่ถูกกับเดินไม่เป็นเนี่ยคือพวกไปเดินก็พวกไม่ได้ไขควรคำสอนอยู่ไหม อันนั้นคือเดินไม่เป็นเดินสเปรย์สปาไปทั่วเลยเดี๋ยนี้ยก็ไม่รอดอีกเหมือนกันไอ้กลุมที่กําลังศึกษานี่ก็ศึกษาแบบศรัทธาไม่ค่อยนั่นก็ไม่สามารถจะเดินได้จริงแต่บางคนก็เดินได้นะไม่เดินได้ไม่เดินได้จริงอ่ะอรู้รูเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งศรัทธาก็ยากแล้วเอามาฟังยิ่งยากใหญ่เชียวนะจะหาคนมาฟังก็ยากฟังแล้วจะเข้าใจก็ยิ่งยากอย่นีน้เข้าใจแล้ว สามารถออกให้ควรปฏิบัติได้ยิ่งยากใหญ่ปฏิบัติแล้วจะให้เป็นไปตามลาดับยิ่งยากเป็นไปตามลำดับจะให้รู้แจ้งก็ยากการรู้แจ้งแล้วจะได้รู้แจ้งให้แทงตลอดจริงๆเนี่ยเขยิ่งยากใหญ่เป็นต้นเราเนี้ยนะระดับของการยากมันจะเป็นไปตามระดับตามสเต็ปเหมือนมันเป็นอย่างนี้นมองเห็นยังไหมว่าทาั้งๆที่เราเข้าใจเลยนะวันนี้อะใช่แล้วเป็นแนวทางแต่โอ้โ ง, งานเยอะจังท่านตั้งใจไปไหม อาจารย์เราก็คุยคุยกันอยู่เลยเลยในเรื่องเรื่องของศัลยกนามเราก็รู้เราก็ใจแต่มันมันออกไม่ได้อาจารย์ช่วยช่วยแนะนี่ทำไมถึงไดออกหน้าหรือว่ารู้นะรู้ไหมรู้ไหมก็ี่เราคุยกันเนี่ยถึงภาวยกรรมนี่แต่ทำไมเรารู้ตาไมเราไม่ออกอ๋อก็มันน้อยไปมันน้อยไป ไม่ได้คือปัญหาจริงๆมันอยู่หลายประเด็นเลยถ้าตรงนี้นะประเด็นตรงเนี้ละมันมากเลยหลายประเด็นก็คือว่าประเด็นแรกก็คือว่าหนึ่งรู้รู้จักเวทนาไม่พอรู้จักภาษาไม่พอคาว่ารู้ไม่พอนั้นก็คือว่าไม่สามารถจะประชุมเวทนาทุกเวทนาลงอริยสัจได้หมดเลยนี่นี่คือการรู้ไม่พอไม่สามารถจะรู้ว่าสุขเวทนาใช่ไหม เช่นว่าจักขู่สมปัสชาเวทนาเนี่ยมองอาศัยตาและรูปเกิดจักกุญญาการประชุมของธรรมสาระการเป็นปภาษาเพราะภาษาเป็นปจัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปจัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปจัจจัยจึงเกิดอุบาทานเพราะอุบาทานเป็นปจัจจัยจึงเกิดพเพราะพบเป็นปจัจจัยจึงเกิดชาติเ พ, บพบระาะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชลาวารนาโสกกาปริเดวทุกขโทนนักสารอลวบายาสมออย่นี้นะอันนี้คือหลักคือแนวเนาะอันนี้คือสายเกิดของปฏิจจุบาทใช่ไหมถ้าสายดับเหรอ จบเลยเดี น, นี่นะมีสายดับไม่ได้แล้วได้สายเกิดเนี่ยนะนะอันนี้นี้นนี้แค่นี้ยังเดินไม่ได้แล้วเนาะอันนี้ขนาดเดินนะเดินวิธีคิดแค่นั้นนะแล้วยังต้องไปวิจัยแต่ละตัวโอ้โหเป็นเรื่องเลยอ่าถ้าวิจัยดูนะวิจัยรอบห น, นึ่งเรจาจะจะเข้าใจว่าเราเออเรายังไม่เหมาะสมจริงๆว่าจะตัดสู้หรือไม่เช่นว่าทางจากขูนี่นะทา ง, ทางจากขุทวานนี่นะกว่าจะไปถึงเวทนาเนี่ยนะดูเวทนานของมึง กุศเวทนาเนี่ยเวทนามีภาษาเป็นปัจจัยเนาะที่อีเวทนาเขาเรียกจักขู่สัมผัสชาวเวทนาที่ทำไมเสียงสะท้อนปุ๊บปุุ๊๊ไปเมื่อกี้เสียงไม่สะท้อนเท่าไหร่เป็นเพราะอะไร อ, อ่ะไม่เป็นไรทีนี้เราลองปรับปรับให้มันเป็นสะท้อนหนกันมันสะท้อนเหมือย้อนกลับทีนี้ถ้าหากบอกว่ายี่ฟงังฟังเข้าใจใช่ไหชัดไหมฟังชัดไหมวิสะท้อนอูอหนึ่งชัดดีเนาะ คือตัวเวทนาเนี่ยคือตัวเวทนาถ้จาจักขู่สัมผัสชาเวทนาแปลว่าเวทนาที่มาทางจากัจกขุทวารนี่เวทจาจักขู่สัมผัสชาทุกขเวทนาก็ามีจักขู่สัมผัสชาสุขเวทนาก็ามีจักขูสัมผัสสชาอุทุกคมาสุขเวทนาก็ามีใช่ไหมเอาละสิตวเนี้ยเออเวท น, นามีสามสุขทุกอเุเบกขาเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมสุขเวทนานั้นน่ะ ถ้าใค่ควรไม่เป็นนั่นจะตามไปด้วยตัณหาทุกเวทนาใค่ควรไม่เป็นหรือการไม่เป็นจะตามไปได้วยโะศะทุกกรรมสุกเวทนาถ้าใครควรรู้วิจัยไม่เป็นจะตามไปด้วยโมหันี่นะเนี่ยถามว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ค่อยชัดเท่าไหร่อยู่แล้วใช่ไหมพอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลงสาวกลับไปดูจะเห็นชัดเลยว่าเวทนาทั้งหมดมาจากภาษาที่เป็นสุขภาษาที่เป็นทุกข์ภาษาที่เป็นที่ตั้งของมัชฌตะหรือเฉยๆเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของเบขาเป็นต้นเหล่านี้ อ๋อตัวน AH. ี้มาจากภาษาเออภาษามาจากไหนออาภาษามาจากไหนภาษามาจากจากครูวิญญาณเออจากครูวิญญาณแล้วก็มาจากอะไรมาจากครูปารมใช่ไหมมาจากกัจจปัสสัตทำสามอย่างประชุมกันอาการที่ทำสามอย่างประชุมกันนี้พระองค์เรียกภาษาเอาเละสิทีนี้พอเรียกว่าภาษาเนี่ยจากครูวิญญาณเป็นขันอะไรเป็นวิญญาณขัน ทำไมต้องไปรู้จากขริญญาณเป็นอายตนะอะไรเป็นมนาอยตนะจากขริญญาณเป็นธาตุอะไรเป็นจากขริญญาณธาตุทีนี้ทำไมต้องรู้ท่านต้องการให้เราทราบบอกว่าไม่ใช่สัตบุคคลจริงๆแท้ที่จริงเป็นขันอายตนะธาตุกาลังดาเนินไปจริง จะได้เห็นเป็นสภาวะของขันธาแต่ยนานะเท่านั้นกำลังดำเนินไปอยู่อันแล้วสภาวะธรรมที่อยู่ในจักรุยัญยาณอยู่ในมนาญตนะที่อยู่ในจักรุญญาธาตุเล่าอันนั้นเขาเรียกว่าธรรมมาญตนะเขาเรียกธรรมธาตุใช่ไหมธรร ม, ธ, ธ, ธ, ธรรมมธิตาธรรมมณียามะต่างไนงะใช่ไหมโอ้มันเป็นอย่างเนี้อ่มันเป็นอย่างเนี้อ่ะว่ามั้นเถอะทีนี้จะไปดูอ๋อมันเป็นอะไรเวท น, น, นาขันธ์อยู่ในนั้น สัญญาขันอยู่ในนั้นสังขารขันก็อยู่ในนั้นตัวจักรวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันโอ้นี่ไงเวทนามาอยู่ตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนทีนี้ในบรรดาขันนา ม, มาขันสีเหล่าเนี้ยอาศัยอะไรในจกักรคุทวาลอาศัยจกักรคู่ประสัดเป็นไปอยู่ใช่ไหมไอ้ตัวจกักรคู่ประสัดคือรูปขันโอ้แท้ที่จริงคือการเป็นไปก็ขันอิยะตนะธาตุจัก กำลังดำเนินไปอยู่นี่เขาเรียกสังสาระมันเดินทีนี้พอจกักขวิญญาณนั้นไปรู้รูปอารมณ์เห็นไหมไปรู้เสียง อ, อรู้สีรู้ภาพรู้สีรู้แสงแสงสว่างเนี่ย เ, ออเราไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าจากักขวิญญาณเป็นผู้เข้าไปเห็นไปทำทัศนะเรานึกว่าเราเห็นเนี่ยเห็นไหม ความรู้ที่เราสืบค้นมาของว่าเราเป็นผู้เห็นแท้ที่จริงจากกุญญาร์เป็นผู้เห็นไอ้สีคือรูปารมณ์เนี่ยคือเป็นผู้ถูกเห็นมันเริ่มเห็นแอ๋อแท้ที่จริงนะเป็นสาภาวะของสาภาวะธรรมเนะียคือรูปนามขันห้าที่มันกําลังทํากิจของเขาอยู่ในการทําทัศ น, าานกิจคือการเห็นสัญญากัจจามารมใช่ไหมสังขารกับุงแต่ง เวทนาก็สวยอารมณ์ใช่ไหมวิญญาณก็เข้าไปรู้รูปอารมณ์เปนต้นทีนี้ตัวรูปารมณ์หนึ่งเขาเรียกว่าเห็นรูปในรูปเอาละสิเช่นอย่างอาตมาเนี่ยมองไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเห็นยมเนี่ยยมมีรูปอยู่ยี่สิบเจ็ดรูปแต่รูปที่จักขูวิญญาณที่เกิดขึ้นทางจักขูทวารของอะตมาเนี่ยไปเห็นเนียเห็นรูปเดียวเนี่ย ก็เห็นสีเท่านั้นเองรูปนอกนั้นไม่เห็นอีกในยี่สิบหกลูปนี่ก็เรียกจักขูวิญญาณทำกิจในการเห็นรูปในรูปรูปแค่นี้พอไหมไม่พอจักขูวิญญาณนั้นไม่กําหนัดจักขูวิญญาณนั้นไม่ขัดเคืองจักขูวิญญาณนั้นไม่ลุ่มหลงในสีในรูปในรูปอารมณ์นะเอาแล้วทําไมล่ะพออยู่ต่อมา เมื่อชาวนาแปลเปลี่ยนเมื่อวิถีจิตแปลเปลี่ยนเป็นไปแล้วทำไมความกำหนัดเกิดขึ้นในใจเราทำไมความขัดเคืองเกิดขึ้นในใจเราทำไมความรุ่มหลงเกิดขึ้นในตัวเราตรงนี้ชาวนาใช่ไห้เกิดขึ่งทิงชาวนะอ๋อเนี่ยเพราะเราเห็นเราเกิดความยินดีนเกิดความยินร้ายเราเกิดความรุ่มหลงในสีในวันนะเพราะเราไม่ตั้งโยนิโสมนัสการเข้าไว เราไม่ได้มัดนัสิการก็ไว้ไม่เอาจากขูวิญญาณมาเป็นประมาณท่านให้เอาจากขูวิญญาณมาเป็นประมาณบอกว่าจากขูวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่รุ่มหลงชั้นใดเราโดยสมมุตินีนะจักตั้งชาวนะจิตที่เกิดขึ้นสืบต่อเป็นไปอยู่เนี่ยโดยเอาจากขูวิญญาณนั้นเป็นเปรียบเทียบเป็นครอบเปรียบเทียบเป็นประมาณจากไม่กำหนัดจากไม่ขัดเคืองจากไม่รุ่มหลง ในสีในรูปารมณ์เคยตั้งแบบนี้ไปแล้วตั้งบ่อยๆไหมเธอตั้งเคยรู้ถึงขนาดนี้ไปแล้วยังไม่ถึงใช่ไหมนี่เริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆยังไม่กู้ความับการแตสรู้จริงๆใช่ไหมทีนี้เราก็ตั้งมนติการว่าจะไม่ให้ความกำนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงเกิดขึ้นในโชนะเมื่อตั้งมนติการอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วพอไหมไม่พอ ยังไม่พออีกเอาวิจัยหรือต่อไปอีกทีนี้วิจัยยังไงวิจัยบอกว่าจักขวิญญาเป็นธรรมที่เกิดจากปัจจัยใช่ไหรือเกิดขึ้นมาลอยๆหรือพระเจ้าสร้างไม่ใช่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยใช่ไหมเพราะจักขวิญญาณจะเกิดขึ้นมาตัวเดียวไม่ได้ต้องมีเวทนาเกิดร่วมด้วยต้องมีสังขารเกิดร่วมด้วยต้องมีสัญญาเกิดร่วมด้วย แล้วก็ต้องอาศัยรูปรขันเป็นไปด้วยอา้าวต้องอาศัยปัจจัยเยอะเลยนะแล้วจกักวิญญาณไม่ได้อาศัยแค่ปัจจัยในปัจจุบันเท่านั้นตนะัววิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยมีสังขารอาวิชาปัจจยาสั่งฆ่าลาสั่งฆ่าเราปัจจยาวิญญาณนะังเห็นไหมใช่ไห ม, ไหมอ๋อวิญญาณคือจกักวิญญาณมีสังขารคือมีเจตนากรรมเนดริศเป็นปัจจัย เจตนากรรมนี่ถามารถจักคูวิญญาณนี่เป็นกุศลจักคูวิญญาณหรือเป็นอกุศลจักคูวิญญาณเอาทีเป็นจักคูวิญญาณที่มองรูปรูปที่เป็นบุญหรือรูปที่เป็นบาปถ้าหากว่าเป็นจักคูวิญญาณที่เป็นกุศลก็มาจากเจตนากรรมที่เป็นกุศลไอเจตนากรรมที่เป็นกุศลทําไมสามารถผลิตจักคูวิญญาณที่เป็นกุศลได้เพราะเจตนากรรมที่เป็นกุศลนั้นมีตัณหาแวดล้อมอยู่ในดีสมุทัยไง อ้าวทำไมมีตัณหาแวดล้อมอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าตัณหาเกิดแต่วิชาเกิดไหมเอวิชาเป็นราชาที่พดีเป็นใหญ่อยู่แล้วปกคลองเห็นไหมงั้นอวิชาก็ปกปิดตัณหาก็เชื่อมติดกุศลกรรมก็ทํากรรมป่าถนาตาแจปะป่าถนาจักกุญญาที่เป็นกุศลแล้วก็ได้สนใจอยากสนใจนึกเลยเออเราก็ได้ตาในปัจจุบันนี้แหละที่มาเกิดทํากิจ ทำทัศนกิิในการหินรูบารมแต่ละครั้งนี่แหละเพราะว่าโรงงานเจ้ากลมใหญ่คือตันหาผลิตมอบให้เอาสิมอบให้จนกว่าคุณจะหมดเหตุหมดบัจจัยของเขาอ่ะกุศลกรรมเ็าจะผลิตเอา้าจะให้จากคุญญานเกิดกับโยมสุภานหงนี่นะจนถึงอายุกี่ปีก็ว่าไปถึงเวลานั้นกุศลกรรมนั้นหมดกำลังลงก็ปิดสนิทโร ง, งงานนี้ปิดแล้ว เข้าใจยังใช่ไหมโรงงานถูกปิดแต่ยังละทิเลตไม่ได้ก็อยู่อย่างผู้มืดมิดไปถ้าส่วนอื่นยังไม่หมดนะถ้าหมดไปก็ตายไปก็ไปรับตายไปเข้าใจใช่ไหมเข้าใจโรงงานมันปิดก่อนไปแล้วเรายังละไม่ได้เลย ก็องาจารย์ทำไมเนี่ยไลฟ์ฟังแล้านถึงอยู่มาปีใหม่ที่เนี่ยหยัดงานพอเขาเชิญอราไปรำเป็นังนึกถึงวายโทธาแล้วออกมาเล่าให้น้องฟังนว่วายโยธากําลังเคลื่อนไหวไปนั้นที่อาจารย์สอนออกมาเล่าให้น้องฟังที่เราก็รู้นี่กำลังขณะที่เำาเคลื่อนไหวไล้์ังอยู่เนี่ยทายวายโยธากําลังทํางานใช่ไหมเอ๊ะแต่เราไม่รู้ทำไมเราออกไม่ได้ เราทำหน้าท uh> uh uh uh! uh ี่นะตามสังคมเขาเชิญเราไปเต้นเราก็ไปเต้นแต่ขนาดไปเต้นเนี่ยเราเรียนรู้ไอ้วาโยธาอยู่นั่งทำงานอย่างนี้นะแต่เราเข้ามายังถ้าพี่น้องมาฟังนี่พี่เห็นวายโยธากูจมาเคลื่อนไหวแล้วเอ๊ะทาไมเร้่อเราอยู่มันมันยังไม่โอ๊ตอาจารย์ที่นี่อาจารย์มาต่อตรงนี้ดียังไหม่เลยมาต่อตรงนี้นะทําห้เห็นอะไรหลายอย่าง เพราะว่าเพราะว่าเอ๊ะทำไมเราก็ก็เรียนรู้เลยนนะถ้าทำไมเรายังออกไ ม, ม, ม่ได้ขาเสียเวลนากก็รู้เลยขยายตาหูเจ็บหงิดมาเพราะอะไรเราก็รู้เอ๊ะทำไมกันยังไม่ออกนี่จำว่าหลัง่าจะออกโรงงานมันปิดก่นททอนนะคตายสกอ่อนแล้วใช่ใช่ใตรงนี้งานคือ ไ, ไ, ไม่รู้จริงเรารู้ไม่ชัดไม่รู้ประจานสถิตนี่แหละไม่รู้หรอกอันนี้มิยังไม่พอแค่นี้นะเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนที่สอง พอรู้จากรูปนามแล้วรู้ปัจจัยของรูปงามแล้วปัจจัยของรูปงามมันไม่ใช่มีแค่นี้เออไม่ใช่มีแค่นี้ยิ่งบอกมันไม่พองิงะอะไรที่สุดที่ใช่ไหมต้องปฏิบัติอาจารย์ต้องเข้าคอร์สแน่ๆแล้ทีนี้ยมีใหม่นี่ก็เข้าคอร์สนะทุกคนต้องเข้าเคอร์สบ้างลงลงทะเบียนไใบขวัญเลยควันที่ยี่สิบไปแล้ววันที่ยี่สิบสองปาราถ้าเราเรียนเนี้เราก็ออกไม่ได้อ่ะมันต้เป็นอย่างนี้เราก็ทําไมจะไม่รู้ในเราเรียนไปเราก็ตั้งใจฟังศึกษา แล้วก็เข้าใจถัดจากเวทนามันเกิดจากอะไรอะไรแต่ เ, เราก็ไม่ออกเราเออกไปไล่ล่าเราก็รู้มา จ, าจนถึงกำลังทำงอะไรบางทีบางทีเนี่ยนะบางทีเราเรายังไม่รู้เลยซ้ำไปที่ว่ารู้รู้มันอะไรไปรู้โลคาก็รู้ได้ใช่ไหมโทส า, าก็ไปรู้ได้โมหะก็ไปรู้ได้วิจิตจะตายไปถ้าจะรู้อย่างปัญญามันรู้แบบผ่านถอนรนะู้แบบเห็นว่านี้ทุกข์ ใช่ไหมอันี้มันเหมือนเรารู้จำใช่ไหมครับรู้จรู้มันรู้จาตัววิญญาณก็รู้แต่แต่เราก็เห็นนะขณะที่เราเรารู้จาจริงแต่เราก็เห็นที่มันกระทบเข้ามาเราก็รู้แต่ทาไมเรายังตอบไม่ได้มันยังน้อยไปรู้น้อยน้ยนน้อยมันไม่พอมันมันมันน้อยไปแล้วยาไม่ได้รู้น ให้ลูกจมันอีกเรื่องนี้งนะให้เนีทุกคนก็นโล้ก็าท่องได้ก็จำได้แต่ว่าอาการที่มันชัณะที่เราศึกษามาอาจจะต้องพิจารณาทางหูสมอกลิ้นใจใจอัน น, นี้ตรงนี้หลังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเวลาเราแค่ควรในลักษณะนี้ก็ยังไม่พอใช่ไหมเมื่อยังไม่พอก็คือไปพิจารณาประการต่อไปก็คือว่าแม้รูปารมณ์ที่เห็นก็เป็นธรรมะที่เกิดเดี่ยวปัจจัยใช่ไหม อย่างยกตัว อ, อย่างเช่นรูปารมณ์ที่อยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยรูปอารมณ์เกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากจิตก็ได้เกิดจากอุจจุก็ได้เกิดจากอาหารก็ได้เอาสิเขาไม่ได้เกิดขึ้นโดยโลอ ย, ยเลยทุกอย่างนั้นมาจากเหตุปัจจัยหมดเลยทีนี้ธรรมดาปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมันยังมีปัจจัยที่เกิดพร้อม ก, กันกับเขาด้วยที่เป็นปัจจัยใกล้ชิดทั้งเป็นสาชาตาสาชาตานิยาสยสาชาตถีสาชาตาวิขตาเป็นต้น ทั้งเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นสืบติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นอีก็เยอะทั้งเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยให้กับเขาอีกก็เยอะเช่นจกักรุาษาธาตุเป็นต้นเหล่านี้ยเป็นที่อาศัยกับจักรวิญญาณเป็นต้นฉะนั้นในบรรดาปัจจัยต่างๆเหล่านี้น่ะทําไมต้องรู้ปัจจัยเออประการต่อไปเนี่ยทําไมต้องรู้เราจะไม่รู้ได้ไหมไม่ได้เพราะการที่เข้าไปเห็นไปเข้าใจปัจจัยนั้นหนึ่งป้องกันอุเฉติทิฏฐิและสัตตถะทิฏฐิเป็นต้น พราถ้าหากไปเห็นอย่างนั้นบางแพทย์เอ่ยหมอเอ่ยไปเห็นอย่างนี้ก็กลายเป็นผิดผิดกันเยอะแยะหมดเพราะเขาไม่รู้ปัจจัยใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ปัจจัยเขาไม่รู้ว่ากุศลกรรมเป็นปัจจัยอย่างไรอกุศลกรรมเป็นปัจจัยอย่างไรนั้นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือเขาไม่เห็นความสืบต่อกันของเหตุของปัจจัยต่างๆเหล่านี้และเขาไม่เข้าใจคำว่าสั์บุคคลเป็นไปและความมาสับบุคคลแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเขาไม่ชัดแต่การมาวิจัยอย่างนี้วิปัสสนาปัญญาเวลาตรวจเุดขึ้นเนี่ยนะ เวลาเขาไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นนามรูปเห็นด้วยความเป็นขันยตนาทา่าสัจจะ ก, กําลังดําเนินไปอยู่เห็นด้วยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยประการต่อมาเขาก็เห็นว่าปัจจัยนี่นะเอาวิชาตัณหาและกรรมไม่เที่ยงใช่ไหมรูปอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ไม่กัจจคุ ญ, ญานก็ไม่เทียญญเท่ยงและจักคุญาณจะเที่ยงไปที่ไหนนะแม้เวทนาสัญญาสังขารมิญาณที่เกิดร่วมกันกัจจคุ ญ, ญาณก็ไม่เที่ยง แม้จากคุปาะเป็นที่อาศัยกับจากคุยัญเมืต้นก็ไม่เที่ยงและจากคุยาญจะเที่ยงได้แต่ที่ไหนใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเราคอนโทรลมันไม่ได้แต่ถ้าไม่รอบรู้เราก็อยู่อย่างผู้หลงทีงนี้เมื่อเรารอบรู้ในลักษณะนี้ก็เห็นด้วยความเป็นปัจจิตลักษณะเบื้องต้นคือลักษณะเฉพาะตัวของเขาก็ชัด ลักษณะเฉพาะตัวของปัจจัยก็ชัดแล้วก็เห็นสามั ญ, ญลักษณะของปัจจัยและสามั ญ, ญลักษณะของตัวของเขาที่เรากําลังไปไขขวนอยู่เมื่อเห็นอยู่เข้าใจอยู่ในลักษณะอย่างเนี้ยเ้าเรียกว่าตะทางขะปะหานเกิดวิปาานนัสสนาญาณมันเกิดแบบนี้เพราะตะทางคปะหานเกิดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาเบเ็ดเสร็จอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจิตของเขาก็น้องก็าหาอะไรนิสระณนะวิเวก คือาณิพานโดยอัจฉาสยะอัชฉริยะโดยอัธยาศัยใช่ไหมฉะนั้นเขาจะพิจารณาว่าสภาพของจักรวิญญาณโสตวิญญาณธาตวิญญาณจิ๋วหัววิญญาณกายยมวิญญาณและมะโนโวิญญาณสภาพของรูปนามขันห้าเดี๋ยเป็นสภาพที่มีเที่ยงแต่สภาวะของนิ่พานนั้นเป็นสภาพที่เที่ยงแท้สภาพของรูปนามขันห้ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ เป็นที่ตั้งของชาติทุกชาราทุกมรณะทุกขเป็นที่ตั้งของความโศกความล่ําไรําพันธ์เป็นต้นแต่พระนิพพานนั้นพ้นจากชาติทุกชาราทุกมรณะทุกเห็นไหมเขาจับน้อมเข้าหาพระนิพพานเป็นอัธยาศัยตลอดอย่างนี้ต่างหากและทุกครั้งเนี่ยเวลาเห็นอ น, นิจจังทุกขังอตตาแต่ละครั้งอาชาศยะหรืออนุสัยหรืออัธยาศัยของท่านเหล่านั้นจะมีน้อมเข้าหาพระนิพพาน พราะพระนิพพานเป็นรรชาติที่สงบเย็นและดับรูปนากันหมันจะไปอย่างนี้อัธยาศาัยเขาจะไปอย่างนี้เขาจึมีความสุขเขาเห็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์เพราะเขามีนิพพานเป็นสาระนะเห็นไม่เที่ยงแต่เขาน้อมใจเขาไม่เบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายขันแต่เขาไม่เบื่อหน่ายที่จะแทงตลอดทะลุพระนิพพานจิตก็จะน้อมไปโอนไปเอียงไปก็ เ, เรียกว่าไปสู่พระนิพพานโดยอัธยาศัยโดยอัธยาศัย ถ้าเห็นจริงมันจะต้องไปอย่างนี้เข้าใจจริงมันจะต้องไปอย่างนี้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าส่งไม้ต่อกันอยู่ตลอดส่งไม้ต่ออยู่ตลอดเวลาเพราะในที่สุดจริงๆเมื่อจะทำพระปราหารทำกิจชัดขึ้นชัดขึ้นจนเป็นอัธยาสัยไปจนถึงสมุจเจทัศซึ่งเป็นอรหตธรรคหรือถือเป็นโสดาบัิมากเป็นต้นตรงนั้นแหละเขาจะมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยไม่ต้องน้อมเลยโดยไม่ต้องน้อมแล้ว เขา Dante, เรียกว่ากิเลสขาดปกเขามีน <C> ิพพานเป็นอารมณ์มีนิสสารนาวิเวกมีนิพพานเป็นอารมณ์นะปัจจัยชั้นเกนกิเลสก็หลุดจากกรมลสันดานตามสภาพของมรรคนั้นนั้นเกิดขึ้นนันเป็นอย่างนี้ดังนนที่ที่ที่พิจารณาทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเอ้เราเราก็ใจเหตุอย่างที่เกิดเหตปัจจัยนี้มันเกิดขึ้นขึ้นทุกขณะแล้วก็ขึ้นหลายอย่ มมากมากยแต่ต้องน้อมไปในพระนิพพานทุกครั้งมันมั น, ม, นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วขนาดที่เห็นและปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าโอเคที่มันเกิดตรงนี้มันเงนี้มันทําให้เป็นนี้ขึ้นมาเพราะเหตุอะไรเราก็ใจแต่ขนาดที่เราต้องเข้าใจอยู่ตัวเนี้ยเรายังไม่ยังไม่เข้าใจต่อไปที่จะทันยังไงอตัวใหม่มันก็มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้เหตุและปัจจัยมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยทางกำหนดรู้เนี่ยก็เลยเริ่มสับตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไมว่ามันไม่เข้าใจ อสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิใช่ไหมมีความเพียรมีสัมมาชัญญามีสติยังไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงให้อาหารก็น้อยเลยในขณะทีคิดว่าเอ้เราเราพิจารณาตัวนี้นะเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุปัจไกยให้เกิดขึ้นเนี่ยเรากำลังพิจารณาอันยังไม่ทำเสร็จตัวใหม่มันใหม่แล้วทีนี้เราก็สับสนว่าเออมันยังไงทำไมมันเกิดขึ้น อ, อย่างนี้อย่างนี้เรื่อย แต่เราจะระมันออกมาได้ยังไงทําให้มันขาดไปได้ไงมันดับได้ยังไงเราไม่รู้เลยมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยก็ไม่พก็ยังสงสัยเนี่ยว่าจะมาถามอาจารย์เรื่องอะไรนี้มันเกิดขึ้นเลยแล้วมันกระดับไปแล้วมันก็เห็นเหตุเหตุตรงไหม่ก็มาอีกแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้เอ้ยเราจะทําไงมันไม่ดับเราเห็นดับดับเราก็เห็นด้วยอ่ะเขาพูดว่ดับดับยังไงอ่ะอ่ะมันหมดไปแล้วมันมาใหม่ละทีนี้ก็ทีนี้พอตรงนี้ก็สับสนแหละ ก็ว่นจะมาถามอาจารย์อ่อถ้าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมันก็เรียนดูเหตุหกับปัจจัยของตัวอยเรื่อยๆเพราะวันมันเยอะเราเกินอว่างคนตรงนั้นก็ต้องหาเวลาหลีกเล่นอั่งมั น, น, นเนาะการดูรการเกี่ยวข้องกับคนมากๆแล้วจะให้ไปพิจารณาทานนั้นไม่มีาทางไม่มีาทางาแล้วนั้นประการหนึ่งนะอีกประการหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่การวิจัยอะไรต่างๆเล่านั้นบางครั้งยังไม่ชัดเจนเลย เรากขาวิจัยสิ่งอื่นใหม่เรื่อยๆไปไอ้อย่างที่เก่าๆเขายังโมวอยู่เลยยังโมวอยู่เลยใหม่ๆเน่ยดงนั้นมันไม่ใช่ให้ทันนำรสมันนมันไม่ชัดไม่จาเป็นต้องไปทันอ้ำรสมันมันไม่รู้อย่างที่อาจารย์ว่าเราไม่รู้อไม่รู้ชัดไม่ละเอียดให้ตัวนี้จึงเกิดปัญหาใ่ตรงนี้เรื่อยๆทีนี้พอพอจะมองแนวทางออกนะทีนี้นะพอพอพอจะมองแนวทางออกว่าโอ้ต่อไปโออสาเหตุเป็นเพราะอะไรใช่ไหมแต่มันก็ดีอาจทดี เรียนแค่นี้เข้าใจแค่นี้บุญแล้วคือไม่ยังไม่รู้รอชอาจารย์นาดนั้นแต่ว่าเพียงจะรู้ว่าอ๋ยทำไมเหตเป็นอย่างนี้ช่วทีนี้เมื่อเราจะตึกโรงงานเนี่ยนะระหว่างที่ทุกฝึกรงงานเนี่ยถ้าเราอยู่ในไอคิวในมุสลไม่จะไปเกิดที่สุขาเต่สตรีแม่มุสุลไ่จะิด อ๋<ห><ง>อเฉพาะเฉพาะเฉพาะของเก่าอันนี้เดียวมันมีโรงงานที่เปิดรอเอาให้บริการอีกเป็นล้านๆโรงงานที่เราทาไว้เียนะคิดว่าจะไปบังเกิดเลยว่ารอสาาพิานที่จะอ๋อปัญหาก็คือว่ากรรมที่จะทาให้จุติยังไม่ถึงก็ต้องอยู่ยังในโลกมืดไปตอนนี<อ>้เขามีคนอ พราะข้านำสเสนออยู่แล้วอารมณ์ใกล้ตายเยอะแยะนั่นยู่ที่ว่ากุศลกรรมเรื่องกุศกลกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเป็นใจ ไ, ไม่ได้ถึงจะเป็นอุบัติเหตุขนาดไหนก็จะต้องมีมรณาสันญาการคืออารมณ์ต้องปรากฏสมมุตินะส ม, สมมุตินะสมมุติว่าอุบัติเหตุโตูมบางทีก็จับอารมณ์นั้นแหละ อารมณ์เกี่ยวกับบัติเหตุแล้วแล้วก็มรณะสถานการเกิดขึ้นแล้วก็จิตติจิตดับปฏิสันที่ก็มีนั่นแหละเป็นอารมณ์คือความตกใจกลัวนั่นแหละเออไอความตกใจกลัวเป็นอารมณ์ก่อนตายตายได้โทรศัพเพานั่นแหละอบายทุกขติวิธบัติในโลกนั่นแหละบางคนก็น้อมได้ถึงบุญได้ในขนาดนั้นก็นั่นแหละอารมณ์ก่อนตายนั่นแหละก็เป็นสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใช่ใช่ กปัญหาว่าอัิยาศัยของท่านผู้นั้นแหละในชีวิตประจำวันจริงๆคิดบุญหรือคิดบาปมากถ้าคิดบุญมากคิดน้อมไปในบุญอยู่เป็นอัิยาศัยเลยของท่านผู้นั้นโอกาสไปสุคติก็สูงแต่ถ้าหับใจที่น้อมไปในบาปเป็นส่วนมากยากมากถึงบอกว่าเราจะทํายังไงชีวิตจริงๆที่จริงใจจะเป็นไปก บ, บุญมาถึองอยู่กันอย่าคู่ไม่รู้เลย ไหยังยังไม่รู้เลยว่าจุติจิตมันจะขาดลงใเวลาไหนไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้จะช่วงหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่ยังประมาทมากใช่ไหมเขาถึงบอกว่าเหมือนที่นายธนิยะบอกว่าตนเองรู้จักภรรยาตนเองดีอ่ะพราะเจ้าบอกดูก่อนธนิยะเธอเป็นเธอไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะไปตรงเธออย่างนี้เลยนะ อัฏฐะตรงนั้นออกมาเนี่ยอัฏฐะความหมายจริงๆก็ใครจะรู้ได้ยังไงเธอไม่ได้อบรมจิตอย่างยาวนานมาในสังสารวัดด้วยจะไปรู้ได้ยังไงกระดาจิตของเธอเองยังไม่รู้อยู่มั้ยจะไปรู้จิตของคนอื่นไม่ใช่ถามนะเหมือนตอนสลบไหมคะว่าเห็นเคยเรนี่เห็นกพี่น้องเนี้ยหายตึงไปเขาก็สลบไปเลยไปถึงลงไม้ตปลงเขาก็ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรมันแง่นั้นตอนตายแล้วตอนสลบเรื่งเกันอ๋อความเหมือนกันตรงที่ชาวนาอ่อนแอง ตอนตายตอนสลบตอนหลับก็เหมือนกันตรงชวนะอ่อนเหมือนแอร์ทำว่าอ่อนแอไรที่นั้นก็หมายความว่าอ่อนไหวมากอะไรให้เกาะเกาะหมดอารมณ์นั้นนะอารมณ์อะไรที่มาเป็นใหญ่มาเป็นมิจิุตรงนั้นนะเกาะทั้งนั้นอารมณ์ที่เป็นดีอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายก็เกาะโดยสรุปอย่างนี้นะคนว่ายน้ำใกล้ตายเนี่ยที่ควายหยาบหยาบกาบมะพร้าวแห้งลอยมาแล้วเกาะ เขช่วยพยุงกายได้นั่นแหละเหมือนกันนี่ชัดเจนว่าถ้าขอนไม้ดีๆมาก็เกาะเอานี้นะงูใหญ่วิ่งผ่านหน้ายัางเกาะเลยถ้า mm hmm. มันจะตายก็เกาะกั้นก็ใช่ไหมยออกขาวก็ยังมีเยอะยะงูก็จะตายคนก็จะตายขอเกาะหลังงูหน่อยสักก็เกาะไปทั้งที่ทคนกลวงงูก็จะตายเข mm hmm. ้าใจใช่ไหม mm hmm. ฉะนั้นมิตไม่ดีมาก็เกาะ นิมิตดีมาก็เกาะคนใกล้ตายก็คือคนอ่อนแออ่อนแอมากอิกจะอ่อนแอมากเหมือนต้นเอี้ห้ยาที่เกาะพอมีวุบเข้ามาเิดกน้งยก็เกาะอันนั้นแหละแน่นเคยเคยลองกาหนดดูนะคะเอ๊ะ เ, เราลองกำหนดดูซิเขาว่าตายกับหลักนีมันเหมืน ที่เราจำลองดูแล้วก่อนก่อนจะหลักเนี่ยมันหายใจเข้าไดหายใจจอกไม่ได้สักทีมันไม่เคยรู้สติเนี่ยไม่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหลับไปไหนแล้วมันเหมือนแม่เหมือนคนตายแม้คนตายที่ว่าเออขณะที่จิตจะหลับเนี่ยหรือว่าสลบเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมมันเหมือนตอนปฏิบัติเนี่ยพยายามปฏิบัติว่าเอยทำระบบลมหายใจเข้าออกเนี่รากจะรู้ว่าไอ้ตอนที่เราหลับเนี่ยอ๋อถ้าต้องการนะ ต้องถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าตอนที่ว่าจะดับขันวิจุติจิตจะเกิดเป็นยังไงนี่นะอ๋อต้องเป็นพระอรหันต์ชัดเลยนะออกจากสมาบัติท่านคํานวณจิตของท่านได้เลยสามารถบอกได้เลยนะท่านที่ช่ำชองเนี่ยผมเดินไปนี่นะถ้าผมเหยียบเส้นที่ขีดไว้เนี่ยผมจะปรินิพานตรงเนี้เพราะท่านก็เดินกําหนดไปจริงๆนะพอเท้าเหยียบที่เส้นที่ขีดไว้ปุ๊บเนี่ยท่านปรินิพานม่ท่ายืนเลย มีจะแนนใหญ่ได้อ่ะหยุยดกันสิบห้านาที